ข่อครับคารวขอพ่อแล้วก็อาจจะเดินทางได้ดูง่ายๆนะเลือ ก, า, า, ออกมออามาลง ส, สบายๆแต่มาก็ไม่มีอะไรเนาะไม่รู้นะว่าจะได้คุยพูดพอไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรก็เลยเห็นได้เนี้ยมันมันก็ไปเอาไปกินหมดแล้วนี่แพ้ๆก็พอพ อ, พ อ, พอมีอยู่บ้างนิดหน่อย พอเห็นใหม่เข้ามาปุ๊บมันหายไปหมดเลยมันหัวหดแต่ก็ธรรมชาตินะโยมเพราะมันสภาวะเหล่านี้มันการภาวนามันมีอยู่แล้วแหละมันเป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะจบพูดเรื่องอะไรถ้าเรื่องการภาวนานี่มันก็พอที่จะพูดพอที่จะทําเพราะเราพูดสิ่งที่เราทําเราพูดในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามี แต่มันก็ไม่เด็กไปอยู่กับคนอื่นเนาะเวลาวันนี้ก็อาจารย์ก็ให้โอกาสมาให้อารมณ์มาทานาถ้าเราพูดอย่างอื่นก็ไม่ถนัดแต่เรื่องอารมณ์เรื่องประสะภาวะเรื่องการภาวนานะมันก็จะพอมีเพราะเราพูดเรื่องของเราอย่าเผิดเราถูกก็นนะอันนี้เป็นเรื่องของอาตมานะแต่ก็ฟังไปเผื่อเป็นประโยชน์แค่นั้น มันถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดมันไม่ผิดความจริงแล้วมันก็ไม่ผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าเราจะไปให้ค่าสิ่ง น, นั้นอย่างไร ถ, away, ถ้ามันถูกก็ม <ettes> ัน <Throughout. S 2> ไม่ถูกใจเรานั่นแหละถ้ามันผิดมันก็ผิดใจเรานัา่นแหละนะมันก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วจิตใจของเราเป็นอิสระว่างๆล่องโล่งตรงๆอยู่แล Dark ้วแต่เราจะเดินหาความโปร่งเบาสบายได้ยังไงโล่งโปร่งเบาสบายได้ยังไง เพราะว่าการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนน่ะท่านคิดวิธีการเจริญสติเข้าจะเข้าถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องมีการกระทาเมื่อการกระทาท่านใช้ขอสลัมทมไม่ใช่คิดนึกเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเราการเจริญสติถ้าเราจะมาเจริญหลวงพ่อเทียนเน้นพอสลัมทมอาตมาก็เหมือนกัน วลาที่จะมันจะเข้ามาสู่สภาวะพอรอมอขึ้นเกิดขึ้นจากใจเราเนี่ยมันต้องทําให้มากทําให้มากไม่ใช่ว่าทําเอายิงเอาจังกับมันมากเกินแค่ทําเข้าใจหลักแล้วก็ค่อยๆทำไปก้าวไปทีละก้าวทีละ น, นิดทีละหน่อยแต่การความเพียรที่จะต่อเนื่องอยู่ที่ความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วต่อเ น, นื่อที่ถูกต้องมันก็โปร่งเบาสบาย มันก็เป็นอุปสรรคที่จะไปรักความโกรธได้ลักความโลภนะมันก็จะเข้าไปสู่จุดนั้นแต่ถ้าเราวางใจที่ไม่ถูกวางใจที่ไม่เป็นที่จะเข้าถึงมันเนี่ยมันก็จะมีความปึดอัดขัดเคลื่องแล้วใจของเรามันไม่โปรมันหนักสภาวะเหล่าเนี้ยให้สังเกตดูถ้าเรายกมือสร้างกังวะเราทําไปแล้วปวดองอแงตึงต้องหอ ใจไม่โปรังหนักๆทื่อๆแต่เราก็ทนอยู่กับมืออันนั้นก็คือการวางใจที่ผิดแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการอารมณ์ที่กรรมฐานเนี่ยเราต้องเข้ามาภาวานาเนี่ยไม่ใช่ให้ตัวเองลำบากนะมาผ่อนคลายนะผ่อนคลายกายใจของเราที่มันเคยหนักม า, ม า, มากๆแล้วเรามาทาการเดินรสติเนี่ย เรามาทำให้มันหนักมากกว่าเดิมเมื่อกิจมันยังหนักอยู่มันจะไม่เห็นอะไรหรอกมันก็เห็นหนักนั่นแหละกิตของเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงความสภาวะที่ดูได้มันย่อมเป็นอยู่เสมอแต่เรามาผ่อนคลายวางใจให้เป็นกนลางสบายๆจะเอาจริงเอาจังมันมากถ้าเมื่ออะไรเข้าไปจัดการมันมากเกินไปมันก็จะเป็นการเพ่งจ้องกดตัวเองให้ไม่สบาย ทำความเข้าใจให้ถูกว่าความรู้สึกท่านต้องการแบบไหนเบื้องต้นเราพ็เข้าใจส่วนมากตามที่อาตมาไปสอบถามบ้างไปถามโยมบ้างส่วนมากจะเข้าใจความว่ารู้สึกตัวไม่ค่อยชัดบางคนอยู่ที่มื่อที่เคลื่อนไหวบางคนก็อยู่ที่แตะการถึงที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นจิตมันต้องเป็นแนบแน่น จริงจมันถึงจะมาเห็นการเคลื่อนไหวได้ชัดแต่ถ้าเราตั้งใจดูมันก็เห็นแต่มันเพ่งแต่ตอนที่เข้าไปดูการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่มือที่เคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นการกดตัวเองตั้งจิตมาอยู่กับกายเมื่อมันตั้งมากเกินไปมันก็ไม่คิดบางทีก็ไม่คิดบางทีมันก็อยู่ถ้าเราไปอยู่ที่มือหรืออยู่ที่เคลื่อนไหวหรือการสัมผัส ถ, ถึงจะรู้เข้าใจถูก ว่ารู้สึกตัวว่าอยู่ที่มือให้รู้สึกอยู่เพื่อไหมให้รู้สึกอยู่ที่กระทบให้รู้สึกแต่ใจลึกๆที่เราตั้งเข้าไปแนบไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราพื้นนานๆมันก็จะไม่โปรมันไม่โรคให้กลับไปดูใจโยมความตั้งใจอะความตั้งใจที่ว่ายกมือเนี่ยเข้าใจ ว, ว่ายกมือก็ อ, อยู่ที่มือ พออยู่ที่มือปุ๊บเนี่ยเราจับมาเราคิดว่าเราจะให้มันต่อเนื่องอยากให้มันรู้เป็นสายรู้ตึกตลอดถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันจิตไม่ไปไหนมันอยู่กับกายให้มันอยู่ที่เคลื่อนอยู่ที่เคลื่อนอยู่ที่เคลื่อนอยู่ที่ไว้อยู่ที่หยุดหรือที่เคลื่อนอยู่ที่ไหวถ้ามันอยู่ที่ถ้าครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกสัมผัสนะให้รู้สึกที่ฝ่าเท้าเราก็ไม่ให้ใจไปไหนเลยเราพยายามอยู่ให้อยู่กับเท้าตั้ง อยู่กับเท้าแต่ใหม่ใหม่มันจะเห็นความต่างอยู่โยมถ้าโยมเป็นคนใหม่อยากจิตมันเคยไม่ได้พักเลยมันก็จะเกิดความเห็นความต่างของจิตเราไปเดินแตะแตะแตะรูในแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยจากจิตฟุ้งซ่านจากจิตชิดเยอะๆกลับไม่ชิดเราคิดว่าเออมันเป็นร่างับความชิด เราไปหยุดความคิดได้แต่ถ้าเราทำไปนานเพ่านา น, นเข้าปุ๊บนี่ยากความคิดเนี่ยมันไม่เกิดพอไม่เกิดมันอยู่แต่ความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกปาเท้าแต่แต่แตก แ, แต่อาการไม่คิดแต่ทื่อๆสมองไม่โปร่งกายหนักๆทำศัก์ไปว่าทำทาไปวันๆถ้าได้ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะมีความคิดแลัว แต่พอมีความคิดปุ๊บเราเดินไปพอมีความคิดเกิดพอมีแต่กว่จาจะเป็นความคิดเนี่ยมันจะเกิเดเนทนาก่อนนะเวลาที่เราเดินไปแตะไปแตะไปเดี๋ยวจะปวดหัราะอะไรหายใจไม่ค่อยสะดวกหรอกถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามรู้กับความรู้สึกอยู่กับฝ่าเท้าแตะซ้ายแตะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบางคนที่มันคิดมาปุ๊บพอมันพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่สนก็นอยู่กับ เท้าแตะแตะแตะแตะลุแตะแตะแต ะ, แตะ ข, ข้าซ้ายข้าวขวาข้าวซ้ายก้าวขวาแต่ถ้ามันไม่มีเวทถนามันก็จะง่วงแต่พอมีเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเกิดขึ้นจากตายเมื่อเกิดจากตายพวกนี่เราจะปวดขาบ้างแน่นหน้า อ, อกบ้างหายใจไม่สะดวกบ้างเริ่มมันมันทื่อเริ่มไม่สนุกอะแต่ต้องทําเพราะมีศรัทธามาแล้วต้องเอาให้ได้นี่คือ จุดปิดผาาของพวกเราเอาจริงเอาจังกับมันต้องให้ได้พอใส่กับเดินแต่รู้แตะรู้แต่รู้แต่รู้เรื่อยๆมันก็พอเวทนามันเกิดขึ้นพวกนี้เราไม่สนใจเราต้องการถืออะไรรู้สึกตัวใช่ไหมเราก็รู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเราก็จะไปกําหนดเดี๋เหมือนเดิมเหมือนเดิมพอชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปพวกนี้จยากไม่คิดกับชิดเพราะอะไร พอคิดปุ๊บเราก็อย่าไปตัดความคิดเพราะคิดมันไม่ใช่ไม่ต้องคิดต้องมารู้สึกใช่ไหมโ ย, ยมอยไปไหนโยมต้องกลับมาแตะอีกพอแตะอีกปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นเดินยังกลมนะถ้าไปเดินยังกลมจะแตะรู้แตะรู้แตะรู้แ ต, รแตะปุ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยพอเดินไปก็หน้าคิว้วชะมวดละแต่คิดไม่คิดแต่ซื่อๆไม่โปร่งหน้าตาไม่ผ่องใสเหมือนคนทุกกับการเดิน คนอยู่กับการเคลื่อนการไว้หนักหนักแค่หไหนก็ อ, อดก็ทนเพราะเรามีความอดทนไงผู้หญิงแกอดทนมากกว่านะเพราะอดทนทําทําถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรล่ะกูทําอย่างเดียวกูต้องการรู้สึกอ่ะเนี่ยเพื่อมีสราทธตัวนี้ยคือเราไม่เยียบขายเลยว่าถ้าการวางใจที่ถูกไหมเราก็คิดว่าทั้งทั้งที่มันมันเก็บมันหนักมันมันแน่นเนีคือไม่ปกติแล้วไม่เป็นธรรมาชาติของตัวเองนะ แต่เราก็ฝืนเพื่อเราต้องการรู้สึกตัวตัวเดียวเนี่ยเราก็ไปใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆคนสุดท้ายคืออะไรพาถ้ามันนั่งปุ๊บไม่ง่วงพอมายกมือเอามาอยู่ที่มือเคลื่อนพักๆมือก็จะเริ่มเบาๆหน่อยล่ะพอเบาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเริ่มเบามือพอเบามือปุ๊บเริ่มง่วงเผลอหลับไปพอเผลอไปปุ๊บเอ้ามันไม่ใช่แล้วมานรู้สึกกดอยู่ตัวเองเดิมๆม ทำให้จิตตัวเองต้องเริ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำลายตัวเองอยูตลอดจิตมันก็แช่ซึมอยู่ทั้งนั้นมันก็เหนื่อยมันก็อึดอัดแล้วแบบวันหนึ่งวันสองวันที่สามเริ่มทนไปวันหนึ่งปุ๊บถ้ามันกดอยู่ถ้ามันอยู่วันไหนที่เดินกดอยู่กับการเคลื่อนการไหวการไปอยู่ได้ต่อเนื่องปุ๊บเนี่เราจะเห็นความไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านแต่หัวไม่โปรไม่โรคเราก็ทน อยู่ไป ว, วันวันพอจบถึงเวลาปุ๊บพัดสบายเป็นอิสระใช่ไหมพอเป็นอิสระอย่างนี้ปุ๊บอ๋อพอเสียงระฆังเป่ง อ, อีกแล้วเริ่มเข้ามาจากเป็นอิสระเป็นธรรมชาติที่เราเป็นอยู่นะ น, นั่นคือธรรมชาติของเรานั่นคือภาวะธรรมะกำลังปรากฏแต่ที่ใจของเราไม่เข้าใจเขาเราไปจัดการสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไร เพราะเราไม่เข้าใจว่าคําว่ารู้สึกตัวไงไปกดไปเท่นไปปั๊จ้องมันอยู่เมื่อไปเท่นไปจ้องมันเกิดอะไรอ่ะมันทําวันเจ็ดวันแปดวันเนี่ยแต่ถ้าวันที่สองที่สามขึ้นไปเนี่ยจากแรกๆมันก็ อ, า, อาจจะเวทนาเกิดขึ้นคิดฟุ้งซ่านบ้างเห็นความโปร่งเบาบ้างเห็นเห็นไม่คิดบ้างเห็นแล้ววันที่สองมาก็มันจะมีความม่วงความเบื่อหน่ายอัดตัดเครื่อง มันที่สามสี่ห้าถ้าเรากดไปเรื่อยเราทำแบบนี้ไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยสีห้าหกกลับไม่คิดเดินไปถ้าไม่คิดก็เดินไปกับความคิดวันที่สามที่สี่เนี่ยเดดไปกับความคิดแล้วนะมันที่สี่ที่ห้าเนี่ยเดินแตะรู้คิดบ้างคิดน่นคิดนี่เราพอมันคิดถ้าไม่คิดมันก็ทนไม่ได้เพราะความรู้สึกของเราเนี่ยไปอยู่กับความคิดครึ่งหนึ่ง ไปอยู่กับความรู้สึกขึ้นหนึ่งมันแบ่งพอรู้สึกบ้างถ้าไปรู้สึกแย่งเดียวเนี่ยมันจะอึดอัดมันจะอึดอัดมันจะแน่นมันจะเบื่อมันจะเซ็งพอคิดได้ปุ๊บเพลินเพลินไปกับความคิดแต่ความรู้สึกห้าสิบความคิดห้าสิบมันก็จะเดินไปทั้งวันเดินไปเดินคุยไปตัวเองบางทีถ้ามันจะหลอกให้เราคิดมันพอยกเบอร์ปอเนี่ยมันจะคิดเลยแต่มันคิดเรื่องดีนะ เวลามันคิดเรื่องดีเราก็จะเดินคุยไปมันกับมันไปวันวันคิดนั่งคิดนี่ก็ดีเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเราฟังแล้วมันก็ยจงจิบคําสอนพระพุทเจ้าบ้างมาพิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์อันไหนสิ่งที่ดีเห็นคิดเดินคู่กันไปถ้ามันคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเดินได้ทั้งวันเราจะเดินได้ทั้งวันเราจะไม่น่าดึงเท่าไหร่แต่เมื่อไรเราคิดว่ามันคิดตอนที่เราจะไปรู้ตัวมันคิด คือเรื่องคิดเรื่องที่ไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่พอใจเราจะยากออกอากใจพอเราออกพากออกอากใจปุ๊บเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวเราจะไปรู้ตัวตอนที่เราคิดว่ามันคิดไม่ดีนั่นแหละที่เราไม่ชอบเ <Youtuber> มื่อเราไม่ชอบปุ๊บเราจะากพอรู้สึกตัวตัวนั้นปุ๊บก็รู้ตัวเองละอ๋อต้องกลับมาความรู้สึกใช่ไหมท่านบอกว่ามีความคิดปุ๊บกลับมาอยู่กับความรู้สึก ตอนนั้นจิตมันเป็นอารมณ์เข้าไปในอารมณ์แล้วล่ะแล้วจะให้มาอยู่กับความรู้สึกมันก็ไม่จะไม่มามันก็จะเข้าไปหยุด an สู่หลักเดิมเราก็พยายามกดตัวเองพยายามอยู่กับมืออยู่กับการเคลื่อนบางคนมันมากต้องช่วยคําว่ายางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบางคนก็พุทโธพทโวพโทโธเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ให้จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นนั้นบางคนออกไม่ได้ก็ต้องอาศัยกดพยายาม เดินไปด้วยซ้ายขวาบ้างซ้ายบ้างเหยียบบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างบา ง, บางคนนะแต่มันออกมาปุ๊บเออมันไม่คิดมันก็รู้สึกว่าไม่คิดว่ามันเป็นพื้นหัวนี่ไม่ปโปร่งไม่เบากายก็จะไม่เบาหรอกก็นังหนักคือไปทําไปสักราววันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเสียงหลักังดังปุ๊บหายาเป็นอิสระไปอาบน้ําสดชื่นสบายๆแล้วก็ไม่อยากจะเข้ามาอีก ถึงเวลาครั้งอีกเป็นอีกอย่างนี้ตลอดเวลาแต่พวกเรามีความอดทนอันนี้สิ่งที่พูดถิดนะที่บางใจที่ผิดนะถ้าเป็นแบบนี้ทำไปแล้วไม่ได้ไประโยชน์อะไรถ้าคนไหนทามาเป็นชีวิตตั้งสิบหลายๆทำมานานๆเนี่ยจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่ตอนที่โกรธขึ้นแรงแต่เวลา เวลาขึ้แรงกุ้ดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติไปทันปุ๊บสติมาทันความรู้สึกตัวมาทันบอกมาทันปุ๊บมันอะไรขึ้นเหมือนไม่มีอะไรความโกรธอีเราดับเราชนะความโกรธได้เออใช่ไหมเราภูมิใจใช่ใช่เห็นไหมเหาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอีกพอไปกระทบ ป, ปุ๊บมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่เราไปเห็นอีกทีนึงตอนที่เรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยมันเกิดขึ้นอีก เราไปโทษตัวเองแล้วอะทํำไมทํามาขนาดนี้เรื่องแค่นี้ทำไมออกไม่ได้ทาไมต้องโกรธอยู่ต้องมาโทษตัวเองต่อย้ําตัวเองความเพียรน้อยต้องไปเก็บอารมณ์อ่าเอาล่ะต้องเข้ามาเจริญสติให้มากใช่ไหมยิ่งทํายิ่งเสียยิ่งยิ่งทําก็ยิ่งตัวอีก็จิตตัวเอ ง, ต, เองต้องเสียมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้พวกเนี้อาการเหล่านี้พวกนี้ถ้าโยอม เ, เป็นโยอมหยุดเลย แค่เบื้องต้นเฉยๆนะแต่มันจะร้ายกว่านี้อีกแต่ไปอยู่คนเดียวด้วยอยู่กับใครไม่ได้แล้วต่อไปข้างหน้าถ้าทําไปนานๆ น, น, นะตรงไหนก็ผิดไปหมดถูกตัวคนเดียวตัวเองถูกคนเดียวแต่ถ้าตัวเองก็รู้อยู่นะว่าตัวเองผิดอยู่แต่ว่าเวลาอารมณ์มันกระทบหรือมันไม่ทันมันไม่ทันอารมณ์ที่การกระทบหูกระทบได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาว่าปุ๊บมันสวนปั๊บเลยมันพุ่งมาเลยอย่างเงี้ย แต่ไปทันตอนที่มันแสดงผลแล้วอะ่ะสติไปตอนทันที่แสดงอาการตอบรับอาการอารมณ์แล้วเรียบร้อยอ้พอสติไปทนันปุ๊บหายหุ้เหมือนไม่มีอะไรจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆแต่ว่าตัวเองตอนที่โปวดแรงแต่คนใกล้เคียงเนี่ยแต่ร้อนอยู่ไม่ได้เบี่ยงคนนู้นบ้างเหี่ยงคนนี้เสร็จปุ๊บ ก, ก็รู้สึกปุ๊บบางทีทํำไปเสร็จปุ๊บคนใกล้ตัวปุ๊บ มาทุกข์กับความคิดของตัวเองแล้วที่สิ่งที่ตัวเองทํากลัวเพื่อนเสียใจบ้างกลัวนั้นบ้างกลัวนี้บ้างก็ลองมาหาเหตุหาผลแล้วตอนนี้หาเหตุหาผลตัวเองไม่ตอบย้ําตัวเองนี่คือถังมันถังใจของเราอยู่ถ้ามันทําเป็นแบบนี้อาการเหล่าเนี้ไม่ควรทํานะโยมมันไม่เป็นประโยชน์เลยมันมีแต่ฆ่าตัวเองไปวันวันฆ่าตัวเองไปวันวัน แทนที่มันจิตใจมันจะงอกงามเบิกบานมีแต่ความเศร้าหมองในจิตมันไม่คุ้มหรอกอาจมาเห็นว่าวิธีการทาแบบนี้ถ้าวางใจแบบเนี้ยผิดการบานใจที่ถูกอะแกทำยังไงเป็นกายสบายบายความคลายอาศัยธรรมชาติที่เป็นอยู่แค่เราเข้าใจคำว่ารู้สึกตัวที่ถูกต้องต้องเข้าใจว่าถูกต้องเวยนะ ถูกต้องหลวงพ่อเช่นหลวงพ่อคำจิตหลวงพ่อมาหาพูดบ่อยต้องถูกต้องใช่ไหมการวางใจถูกต้องตัวการวางใจเข้าไปรับรู้ความรู้สึกถ้าเราเข้าใจความรู้สึกว่าสัมผัสแล้วรู้สึกจย่งที่การกระทบกายเราต้องการให้มันเกิดจากกายก่อนเข้าสู่ใจธรรมชาติจริงๆใจมันอยู่ข้างในกว่ากายลมพัดกายมันก็บอกว่าเย็น ใจรับรู้ว่าเย็นถ้ามันมาไม่ถ้าไม่เอากายมาก่อนเนี่ยผมข้อเทียนว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้สึกกายสัมผัสใจรู้ตรงเนี้ยผมข้อเทียนให้ตรงๆอยู่แล้วมันไม่ตรงเพราะใจของโยมเข้าใจว่าจิตมันเป็นสั่งกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวโยมแปลความหมายมิผิดโยมคิดว่าใจทุกอย่างใจมันต้องสั่ง นั่นคือความชิดแต่ความจริงเอาความจริงเอาภาษากายเราจะพูดเรื่องภาษากายมาภาวนาเนี่ยจะพูดภาษากายเพื่อจะไปเห็นภาษากิตแต่เรามาทำปุ๊บเราทำเพื่อเอาภาษาสมองนี่มาใส่ภาษากิตมาพูดแล้วใช้สมองนี่คือความชิดนี่คือความรู้สึก บอกความรู้สึกไม่ใช่เอาความรู้สึกถ้าเราเอาความรู้สึกเนี่ยอาศัยกายอย่างเช่นเนี่ยมันร้อนๆเนี่ยมีลมพัดมากระทบอะไรพอกระทบลมเย็นพอร้อนอยู่ลมแรงมาพัดกระทบกายปุ๊บมันรู้สึกว่าเย็นตอนร้อนๆ อ, อยู่นี่บอกให้เย็นได้ไหมถ้าใจมันบอกได้มันต้องบอกว่าต้องไม่ร้อนสิ ไม่ต้องเอย็นสิใช่ไหมเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงของกายเฉยๆเราไปเชื่อสมองเราไปเสียอความคิดว่าเอออันนี้คือความรู้สึกใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาภาษากายมันจะบ อ, บอกความตรงๆซื่อๆกับเราตลอดเวลามันไม่เคยโกหกเราเลยตอนนี้นั่งนานๆมันรู้สึกว่าปวดขาใช่ไหม พอเมื่อเช้าคนเท่าอย่างเงี้ยต้องอดใช่ไหมปวดอะไรปวดชีใช่ไหมมันโกหกไหมมันอยากไปไหมเห็นไหมมันเคยโกหกเราไหมล่ะเราเอาสติไปรับรู้ความจริงอย่างนี้บ่อยๆได้ไหมไปรับรู้ตามสิ่งที่มันปรากฏขึ้นกายมันมีอยู่แล้วมันมีให้เกิดขึ้นมีหยุดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว มันจะบอกอะไรมันก็บอกแต่ทําไมเราไม่เอาใจเข้าไปรับรู้เอาแค่ไปรับรู้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะ่ะอย่างเช่นมันเย็นมันเย็นเป็นความรู้สึกของกายกระทบและใจไปรับรู้ว่าเย็นเมื่อเย็นเกิดปุด๊บถ้าเราพอใจไม่พอใจเป็นภาษาของจิตยินดียินร้ายกลับไปเป็นอารมณ์ของจิต ไม่ไม่ใช่ภาษากายแต่เราแค่ดูที่กายแล้ววางกระทบแล้วรู้สึกเข้าใจวางเอาใหมเพราะกายของเราเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันไหนชัดอันไห น, นเด่นมันปรากฏเราก็รับรู้ในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั้นแค่เอาใจมาตามดูเขาสบายๆและผ่อนคลายการใช้ชีวิตแบบปกติธรรมชาติของเราเนี่ย ธรรมชาติของเราเป็นอย่างไรการเดินมีอยู่ไหมการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวมันมีการสัมผัสอยู่ไหมขณะที่เดินไปมีลมสัมผัสมีไหมเจอร้อนบ้างเย็นบ้างกายของเราจะบอกความเป็นจริงอยู่ทุกขณะอยู่แล้วแต่ใจของเราต่างหากที่ไม่ไม่มาลับรู้เขาเขาบอกว่าร้อนเดินไปเทินแดบดบมันก็บอกว่าร้อนใช่ไม้ม แต่ทำไมเราต้องรู้สึกว่าร้อนอีกต่อกย้ำผิดอีกแล้วนะโอ้ร้อนนะเย็นนะแข็งนะใจไปจัด ก, การอีกแล้วไม่เห็นตรงๆไม่เห็นซื่อๆเพราะไม่รับรู้ซื่อแต่เห็นตรงอยู่เห็นอยู่มีอยู่แต่ใจไปรับรู้นั้นไม่ซื่อเห็นไหมมันผิดรู้ความรู้สึกแต่ผิดใจที่เข้าไปรับรู้ มันต้องแยบขายนิดนึงใส่ใจดูผ่อนคลายให้สบายๆถ้าทาเข้าใจแบบนี้แล้วไปทำแล้วอึอดอัดอีกนั่นคือถอนกลับมาอยู่กับความรู้สึกวางใจเข้าไปแบงจะทำยังไงให้มันผ่อนคลายให้เป็นธรรมชาติให้มากตัวไปรับรู้ความรู้สึกตัวนั้นให้ผ่อนคลายให้เป็นอิสระให้เกิดจากธรรมชาติจริงๆแต่เราก็ไปรับรู้สบายๆ โดยที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปล่อยใจไปรับรู้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเกายมันเกิดกายสัมผัสใจรู้ถ้าเรารู้เท่าทันกายแบบนี้บ่อยๆมันจะเป็นรอยต่อของจิตพอกระทบปุ๊บเข้าสู่จิตปับ๊บธรรมชาติจริงๆกระทบกายเข้าไปสู่จิต จิตปุ้งแต่งเป็นอารมณ์เป็นอาการของกิตแสดงออกแล้วแต่ถ้าเราเห็นกิตมันปุ้งแต่งเกิดพอใจไม่พอใจเราไ ป, ห ย, าปหยุดความกิตไปหยุดจิตความกรธไปหยุดความโกรธมันแก้ปลายเหตุไปแก้ที่ผลมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือการกระทบสัมผัสทังกายนี่ แต่ถ้าเราสัมผัสกายท่านรู้หูเขาด่าปุ๊บหูได้ยินปิดหูซะไม่ได้ยินเราก็อดไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินมันอยู่ที่หูนี่ถ้าปิดหูไม่ได้จะยินเสียงระครังไหมที่เราไม่ปิดหูเราจึงได้ยินใช่ไหมถ้าคิดได้ยินปุ๊บใจของมันบอกว่าตีละคฆังอะไร อยากให้หยุดถึงเวลาแล้วเหรอถ้าเรารู้ว่าโอ้ตีให้รับตีละคขังเนี้ยให้พระบินทบาทที่หมู่บ้านใกล้ๆเขาได้รู้ว่าพระไปบินทบาทเห็นไหมอันนี้คือความหมายตีละคขังแต่เราเอ้ตีทําไมหมดเวลาแล้วเหรอแเห็นไหยการปรุงแต่งของกิจเพราะมันไม่ทันเสียงนี้เพราะสติของเราไม่ทันการกระทบของตาย มันเข้าไปสู่ใจใจแสดงอารมณ์ออกมาเราไปเห็นผลที่ปรากฏขึ้นแก่จิตแล้วเราจะไปดับไปดับที่ผลมันก็จบไม่เป็นพุทธเจ้าบอกว่ามันเกิดที่ไหนมันดต้องดับที่นั่นมันเกิดจุดตรงมันคือหูกระทบนี่ใช่ไหมมันถึงเขามีอารมณ์พอเสียงคืออารมณ์ตรงนี้ขึ้นเกิดขึ้นมา แต่เราไม่ทันสติของเราไม่สามารถที่จะทันตัวเนี้ยมันเข้าไปสู่ใจเพราะมันเร็วมากเกินไปสติของเราไม่ทันมันเลยเป็นเข้ามาสู่สภาวะแบบนี้แต่ถามว่าแต่ทําไมมันกระทบนี้มันเข้ามาสู่ใจใจเราเป็นอารมณ์เราไปรับรู้ที่อารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบนี้ตลอดพอเห็นอารมณ์ก็ไปแก้อารมณ์เป็นสภาวะที่งงกิ๊ เข้าไปร่วงสลัดเพราะสลัดตัว น, นี้ปุ๊บมันก็แก้อยู่ล้าไปมันไม่จบหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุต้องไปดับดับที่เหตุนู่นเหตุคืออะไรหูใช่ไหมเมื่อ ก, กี้เนี่ถ้าปิดหูซะก็ไม่ได้ยินเสียงเขาด่ า, ดาไม่ได้ยินเสียงแต่พุณเจ้าบอกว่าทําเจริญสติแบบเนี้ยไม่ต้องปิดหู ไม่ต้องปิดตาไม่ต้องปิดว่าจาแต่จเจริญสติให้มันทันรอบให้มันถึงมาง ก, กระทบปุ๊บตัดปุ๊บนี่คือสติมันจะตัดปุ๊บมันไม่เข้าสู่ใจเมื่อไม่เข้าสู่ใจอารมณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เราจะไปหาทําไมเราจะไปหลบหลดไปฆ่ามันทำไ ม, ไมต้องไปจัดการมันทาไมตรงนั้นเพราะมันเป็นผลของมันแล้วน่ะ มาเจริญสติหลวงพ่อเทียนท่านให้มารู้สึกตัวเนี่ยเพื่อจะให้รู้เอาสติมาทันกายที่มันไม่ทันเพราะจิตไม่ได้อยู่ในกายเพื่อมัน ม, มันไม่เลยไม่ทันการกระทบของกายหลวงพ่อเทียนเลยเอากายกระทบกายสัมผัสใจรู้สัมผัสตอนเบื้องต้นฝึกใหม่ๆเนี่ยแค่อสัมผัสไปก่อนพอสัมผัสปุ๊บรู้สึกในสิ่งที่กระทบนั้นๆบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไร กระทบหินเจ็บเหยียบหินมันก็เจ็บนั่นแหละไปโดนแดดมันก็ร้อนเนี่ยสิ่งนี้ปรากฏขึ้นอยู่แล้วจิตมันคุ้นเคยกับตัวนี้บ่อยๆสติที่เราฝึกตามดูเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะทันทุกขนณะมันจะทันถ้ามั น, ยนอย่างเช่นโกดอย่างเช่กระทบทัน แต่ถ้าเรากระทบทางกายแบบรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวเนี้ยตัวรู้ตัวนี้เลยมหาสติตัวเนี้ยสติตัวนี้ที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะมีโตขึ้นเรื่อยเรื่อยๆมันจะเร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันกระทบกายใจกระทบปรับใจรู้ปรับรู้ปรับรู้ปั๊บเนี่ยมันจะรู้ของมันเองโดยธรรมชาติเพราะมันเคยจินอยู่กับความรู้สึกแบบกระทบบ่อยๆพออะไรเกิดมันรู้ทันรู้ทันพอมันรู้ทันปุ๊บเนี่ย มันหลากหลายมันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันไม่ได้อยู่อย่างเดียวเห็นไหมมันหลากหลายมากอยู่ในกายของเราเนี่ยไปโดนแดดยุงคันกับ้างคันหัวบ้างคันขาบ้างปวดขาบ้างเห็นไหมกดในกระเพาะบ้างลมในตีขึ้นบ้างกดฉี่บ้างยกมือบ้างเห็นไหมแป๊บเดียวมันรู้ทั้งเยอะแยะมากมายอันนี้สติตรงนี้มันเร็ว อ, อยู่แล้วทำชาติยานมันก็เร็ว อ, อยู่แต่เรามาสัตมาเจริญสติน เพื่อจะมาทันเหล่านี้ถ้ามันทันได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะหยุดมันได้เพราะมันไม่ทันมันถึงหยุดมันไม่ได้ก็เลยอาศัยการสัมผัสของกายเนี่ยแปลว่าหูเนี่ยเป็นกายไม่ยายตาเป็นกายไหมใช่ไหมมันกระทบกายก่อนเข้าสู่ใจใช่ไหมตรงนี้คือถ้าเรากระทบตาหูจะหมดิ้นเนี่ย อันนี้เป็นเขาว่าอินทรีย์เนาะแต่ว่าลึกๆภาษาถามเขาว่าอินทรีย์ใช่ปะแต่เราเนี่ยพูดภาษากายอ่าอาจมาบอกว่าภาษากายกระทบปับ๊บเรารู้อย่างที่ตรงนรเนี้ยโกรธเนี่ยมันช้าเพราะโกรธมันเป็นผลผลของมันและเรายังไม่ทันมันก็ไม่เป็นไรนานๆทีมันจะโกรธหรอกโกรธนอะ่ะแต่ความรู้สึกที่กายสัมผัส ข, ของเราเนี่ยมันมากมายอยู่แล้ว นานๆที่มันจะเกิดความโกรธแต่ความรู้สึกตัวกายเนี่ยมันจะเกิดตลอดเวลาถ้าเราจิตมาอยู่ไกลคุ้นเคยกับกายบ่อยเข้าบ่อยเข้าปุ๊บพอโกรธขึ้นมาปุ๊บมันทันปั๊บมันจะทันแต่พอกระทบผงปั๊บมันทันปั๊บมันตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้พอตาผู้เห็นสวยปุ๊บมันตัดปุ๊บไม่ปรุงแต่งแล้วเมื่อไม่ปรุงแต่งกิตมันทันทุกขณะเราจะไปทําอะไรเราก็รอแต่รอ รอความเป็นจริงของมันธรรมชาติมันก็จะมีความโปร่งเบาสบายใจก็เป็นอิสระเพราะไม่มีขยะเข้ามาสู่ใจถ้าเราอยู่กับกายตรงนี้อยู่กับการสัมผัสสัมผัสอย่างเงี้ยคือปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งอยู่แล้วไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตความรู้สึกปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแป๊ะข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ย มันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วแต่โยมยังไม่เป็นปัจจุบันเพราะจิตยังไม่เป็นแต่ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันเป็นถ้ามันเป็นเมื่อไหร่พุ่เนี่ยมันจะเป็นอิสระโปร่งเบาสบายผ่อนคลายเดินใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันจะเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นไหม ชีวิตเราจะมีค่ามากมหาศาลแค่เราทำความรู้สึกตัวตามดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกายตรงๆซื่อสื่อ ส, สิ่งเราที่จะปรากฏขึ้นนั่นคือผลของการภาวนาความโกรธไม่ต้องพองกระทบปุ๊บมันวางปับ๊บมันวางปับ๊บมันวางปับ๊บพอวันลาปุ๊บมันไม่มีอะไรมันก็อดีตไม่ไปอนาคตไม่ไป อนาก็ไม่ไปมันอยู่ปัจจุบันเมื่อมันอยู่ปัจจุบันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปคุยอดีตนะอดีตที่นอนเนื่องในใจของเราสิ่งที่จิตมันไปกระทบปุ๊บมันไม่ทันมันเป็นเป็นแผลของมันอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเขาพูดอะไรมันจําพอเนี่ยมันก็จะไปล้างของเมื่อวานที่ใจของเราไม่พอใจคนนี้ปุ๊บเนี่ยความไม่พอใจนั้นปุ๊บนั่นมันจิตไปแล้ว ตัวนั้นมันตกเข้าไปจิตจิตมันเป็นอาการของจิตอล้จิตไปเก็บอารมณ์นั้นไปและอันนี้ก็คือตะกอนตกเข้าใจเราแล้วแต่พอมีกําลังพอมันจะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาปุ๊บเราไปปรุงแต่งต่อเท่าเขาไปเอาดินพ่อค้างหมูให้มันหนักลงอีกเห็นไหมมันจะคุยอดีตแต่ล้างถ้าสติมันแรงมันจะปรากฏขึ้นปุ๊บมันก็จะคลายมันจะเบาหนักมันมันนกหลวงพอเรียนใช้คํา ไปถึงน้ําบ่อกุดน้ําถึงถึงตาน้ําแล้วถักน้ําทิ้งเลือแต่น้ําใสตะกอนใจที่มันความพอใจไม่พอใจที่เราขาดสติมันเข้าไปถึงตอนนั้นเราไม่ถักตัดไม่ทันมันจะเข้าในใจของเราแล้วพอมันมีสตินึมันจะคุยอดีตขึ้นมาหมดอเริ่มเบาเริ่มออกจากมันมึกเมื่อวานวันก่อนมันไล่ไปเรื่อยๆจนกับถ้าปัจจุบันมันทันปุ๊บไม่ไม่ทันปุ๊บ เดี๋ยวมันก็ขึ้นในผักจุบันนั้นนั้นพอมันขึ้นปุ๊บเราดูมันได้สลาดมันได้มันมันผ่านไปได้มันจบมันก็ไม่มีกลับมาอีกเลยเห็นไหมถ้าจิตสติมันดูอารมณ์เหล่านี้ได้มันจะผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านใจของเราก็เริ่มเป็นอิสระเบาบางจากอนุสัยมันจะผุขึ้นมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเข้าไม่ได้อดีตไม่มีอนอนาคตไม่มีมีแต่อดีต มันก็ปวดขึ้นปุดขึ้นปวดขึ้นปพอพวดขึ้นปุ๊บใจของเราไม่มีสติไม่พอเขาไปร่วมก็มีอย่างเงี้ยถ้ามันร่วมปุ๊บมันหนักเราก็วางเราเริ่มใหม่มันมีใหม่ก็เกินใหม่ตอนนั้นคือกําลังไม่พอมันก็ล้างออกไม่ได้ล้างจนหมดจนถึงไปอดีตที่เราเคยเสียใจพอใจจนจิตของเราเป็นอิสระไม่มีอะไรครอบงาในใจของเราได้ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคต มันอยู่ปัจจุบันงเดียวเนี่ยเราก็จะมีอะไรก็ไม่แต่ความใช้ชีวิตไปวันวันอยู่ไปวันวันอยู่ไปวันวันก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมคุยเพื่อนเหมือนเดิมทํากิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ใจตึกลึกของเราเนี่ยมันจะโปรเบาสบายอิสระ มันจะปรากฏขึ้นแจใจเพราะเป็นภาษาใจไงไม่ใช่ภาษาสมองไงมันจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นแล้วเราก็จะได้รับผลของมันคืออิสระแค่นั้นเห็นไหมแค่คำว่ารู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านว่ารู้สึกตัวเนี่ยทำเลิอจริง สติตัวเนี้ยสุดยอดจริงๆธรรมชาติมันสร้างมันมีมันเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมั น, นะวันนี้ก็ถามอาจารย์เนาะอาจารย์บอกว่ามันพูดเรื่องตัวเองต่างหากแล้วเนาะว่าจากฝากญาติโยมว่าจะทำย่างไรมันหมดแล้วทีใหญ่จะพูดต่อไปไม่ได้ละพอแล้วแค่นี้เนาะ อ่อสิ่งที่สิ่งที่มันมีถึงนี้มันเป็นว่าเดี๋ยวจะให้อันนี้ให้ก่อนเวลาเดินยินมนกมายมเราจะให้เป็นธรรมชาติสบายๆคนจะอยู่ก็วางใจให้เป็นกลางๆสบายๆแค่ว่าใจอย่าไปกําหนดมากเกินไปสังเกตดูว่าทําไปพวกเนี่ยมันจะอึอดอัดหรอกถ้าวางใจที่ไม่เป็นเดินไปมันจะเหนื่อยมันจะอึอดอัดใจไม่โปร่งหรอก ถ้าไม่โปร่งไม่เบาคือใจวางใจเข้าไปแนบแน่นแนบแน่นไม่รู้ว่ามันจะขณะนั้นเราจะเข้าไปเพ่งหรือเปล่าเข้าไปจ้องหรือเปล่าไปตั้งใจมากเกินไปไหมถ้ามีอาการอึดอัดที่เราเดินจงกรมแล้วมันไม่โปร่งนั่นคือการวางใจถอนแมลเราเดินจงกรมก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกอย่างเช่นนาตมาบอกว่ารู้สึกตัว่าเท้านะรู้สึกตัวนะ้ที่กระทบขึ้นรู้สึกถ้าไปเฝ้าดูการกระทบชัดๆ อย่างนั้นมันเกินชัดไปแล้วแล้วมันจะเอืดทีหลังก็ทิ้งมันไปเอาที่เท่าเท่าที่มันเป็นชัดที่เรามันรู้เราคิดว่าเรารู้เท่าที่มันเกิดแใ่ใจของเราว่ารู้สึกแค่นั้นแต่ที่มันไม่ชัดเนี่ยเพราะเราว่าเมื่อกี้เนี่ยชัดหรือเปล่ามันไม่ชัดนี่ถ้าปล่อยแย่ว่ารู้เหมันไม่รู้ก็เหมือนว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมส่วนมากเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยไปกําหนดให้มันชัด พอชัดไอตัวกาหนดชัดพอเขามันรู้สึกชัดแล้วแต่ไม่พอแค่นั้นเพราะธรรมชาติมันชัดได้แค่นั้นจิตมันรับรู้ได้แค่นั้นแต่เราวอามาเจอสติเพื่อจะให้มันรู้ชัดเราก็เอาจิตไปเนี่ยไปอยู่กับมันให้มันชัดกิ่งนี่คือขอ้อผิดพลาดนักเป็นบาปของเราจะเป็นอย่างนี้กันเยอะทั้งที่มันกระทบแรกปุ๊บรู้สึกว่าจบแล้ เออย็นหรือเปล่าเอ้เมื่อกี้กรู้สึกหรือเปล่าวะเออไม่รู้ต้องพยายามยาให้รู้เห็นไหมจะ่เป็นแบบนี้ทันั้งนั้นถ้าเป็นแบบนี้ผิดนะทำแล้วไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์แก่เราเลยแค่รู้อ่ะรู้แค่ไหนแค่นั้นรู้สบายบายผ่อนคลายรู้เขาไปเรื่อยๆสบายๆเนี่นะเวลาจะอ่าเวลาท่างจังหวะอย่างเงี้ย ก็าอย่าไปอยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวแต่เป้าหมายให้มาอยู่กับเคลื่อนไหวให้จินมันไปอันเดียวกันแต่ตอนนี้ใจของเรายังไม่คุ้นเคยยังไม่เป็นมันต้องบังคับถ้าบังคับเกินมันก็เพ่งถ้าไปบังคับเลยมันก็ไปจะทํำยังไงประคองใจให้มารับรู้ความรู้สึกรู้สบายๆธรรมชาติอันนี้คือโยมต้องไปหาละ่ะอรรมมาบอกไม่ได้ บอกให้ยมไม่ได้ยมต้องทํำเองหาความพอดีของตัวเองตรวจสอบตัวเองบ่อยๆไม่ใช่ทำเอาอย่างเดียวน่ะหนักแค่ไหนก็ต้องทนเหนื่อยแค่ไหนก็อึดอัดแค่ไหนก็ต้องทนเพราะมีความอดทนใช่ไหมเพราะอะไเพราอะไรเพราะเรามีความอยากไงแล้วมีศรัทธามีความอยากเข้าไปอัดเข้าไปมันก็ทําให้เราเป็นแบบนั้นเวลากลับบ้านเวลาใช้ชีวิตแต่อย่างเช่นดารมาเนี่ย แต่ปั๊มเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีก็คือใช้ชีวิตกับคนที่กลับบ้านไปให้ธรรมชาติสิ่งที่มันความรู้สึกมันไม่ได้อยู่กับตัวเรามันไมไ่อยู่กับเรามันอยู่กับกายไม่ได้อยู่ในสมองมันอยู่กับกายเมื่อกายสัมผัสปุ๊บมันจะบอกความรู้สึกแต่แค่ไปรับรู้ความรู้สึกแต่ถ้ามันไม่ไปอยู่กับกายมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็อยู่กับกายแต่มันไม่ได้อยู่ในสมองแค่นั้นเอง เราไปสัมผัสอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเรื่ไปทำไร่ทำนาทำสวนจะเดินไปไหนจะก้าวไปไหนมันมีการสัมผัสมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ให้รู้ตามในสิ่งที่มันปรากฏรู้ซื่อสบายๆเนาะอาตมาก็มีเวลาแค่นี้เนาะก็อาว่า อันสติใช่ไหมสติเนี่ยมันมันมันรู้แล้ววางอยู่แล้วการปล่อยวางที่ยอมเข้าใจคือสมองของโยมอ่าเข้าใจหมอันอันอันปล่อยวางเนี่ยยมเข้าใจว่าการปล่อยวางใช่ไหมคือสมองใช่ไหมสติเขาเขาเนี่ยรู้ขณะหนึ่งขณะนึงเขาวางอยู่แล้วเขาเป็นปัจจุบันขณะนึงอยู่แล้วแต่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันขณะนึงปุ๊บมันก็วางของมันอยู่แล้ว แต่มันไม่วางคือใจของโยมต่างหากมันว่าเออต้องรู้สึกอ่ ะ, อออะเอาผลของมันแล้วโยมโยมไปเห็นผลความโกรธเป็นผลของการกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการสัมผัสของกายถ้าโกรธถ้าโยมเห็นเขาทาไม่ถูกใจทําไม่ถูกอย่างที่เรานึกคิดพอพอไปเห็นปับ๊บ ตามมันโกรธตามเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าตามไม่เห็นได้ยมจะโกรธไหมก็ยมสติของยมไม่ทันไอตัวการพบนั่นไงแต่ถ้ามันอยู่ในหูยมไม่ทันหูไงมันจะเกิดเป็นอารมณ์แล้วแล้วยมไปแก้ผลเนี่ยแก้จนตายมันไม่ได้ผลต้องมาแก้ที่เหตุเหตุของมันก็คืออะไรคือมันกระทบหูแล้วเราไม่ทันมัน สติของเราไม่ทันมันต่างหากมันถึงเป็นอารมณ์พวกนั้นหน้าที่ของเรามาทําความรู้สึกเพื่อจะเอาสติมารู้เท่าทันการกระทบของกายแต่ว่าการกระทบของการสัมผัสเนี่ยเป็นของกายไหมผ่าเท่าสัมผัสพื้อนอารมา์อมภัดกายนี่เป็นสัมผัสของกายไหมใช่ไหมมันก็เป็นกายแต่ที่มันยังไม่ทันก็เพราะมันยังไม่ได้อยู่ในกาย ถ้าเมื่ออะไรมันทันการกระทบอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดเป็นตลอดทั้งวันทั้งคืนมันกระทบหูปุ๊บมันก็ตัดตรงนี้อารมณ์ตรงนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเป้าหมายของเรามาจะเจริญสติเพื่อจะให้มันโตเพื่อจะมาทันไอ้ตัวกระทบของหูตาจมูกลิ้นอันนี้มันถ้าโยมมาเอาคิดตรงนี้ไม่ได้มันไม่ได้เ อืมอืมอืมใช่สติถ้ามันพอมันจะรู้ประมาณในตัวมันเองมันจะรับรู้ในกายว่ากายสำคัญแค่ไหนพอแค่ไหนมันบอกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะเชื่อมันหรือเปล่ามันจะเตือนเราตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะบอกเราตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนมันกระทบพวกมันรู้สึกมันจะแต่มันไม่ถือนะ มันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่บอกว่าสติแล้วมันก็อันนี้คือสติมันกิจกรรมนะแต่สติมันรู้แล้วมันวางมันเกิดขึ้นแล้ววางวา ง, วางอยู่แล้วแต่ที่มันไม่วางคือใจของโยมไปเกาะสติไปกําหนดไปบอกไปตั้งอยู่กับสติตรงนั้นนั้นอย่างเช่นเนี่ยโยมพัดลมพัดเย็นปุ๊บมันหายไปแล้วใช่ไหมอ่าบางเมื่อกี้ลมพัดใช่ไหมเขาปิดพัดลมปุ๊บลมหายใช่ไหม ยอมรู้ไหมว่ามันหายมันก็รู anyway. ้ว่ามันหายขนาดนั้นแล้วก็ร <rand> ู้ใช <pur> ่ไหมมันวางหรือยังอ่ะมันก็วางขนุนขนาดนึงขนาดนึงขนนึงอยู่แล้วเพือสติมันปิดขนาดนึงขนาดนึงอยู่แล้วแต่ว่าใจของลมต่างหาที่เข้าไปยอมรับตรงนี้ไม่ได้ไปจำเอาไปหยุดอําเอาอย่างนี้อยู่เพือสติดึงเนี่ยขนาดกระทบหนึ่งกระทบนึงเนี่ยมันวางของมันอยู่ขนาดนึงขนาดนึงอยู่แล้วแต่ใจที่เข้าไปรับรู้อ่ะ สติตัวเนี้ยไม่เป็นธรรมชาติเพราะเรามีความอยากมีความตั้งใจมีความอะไรเข้าไปแทรกแทงมันเราไม่ยอมรับความเป็นจริงของมันแค่นั้นเพราะใจของเราต่างหากอันนี้มันเป็นเรื่องยากละเอียดแต่ว่ามันไม่สามารถมันไม่ไยากมากแต่ถ้าเรารับรู้ความรู้สึกตัวตัวกานี้ก่อนแล้วขบวนการเหล่าเนี้ยถึงที่ยมพูดมาเนี่ยมันจะรู้เท่าทันหมด มันจะเห็นความละเอียดมันจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่กระทบสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดดีก็ได้ชั่วก็ได้มันจะได้ประโยชน์จากทั้งสองอย่างทั้งดีและชั่วเราจะไม่ปฏิเสธทั้งดีและดีก็ไม่ปฏิเสธชั่วก็ไม่ปฏิเสธแต่ตอนนี้เราพยายามจะผักสิ่งที่ชั่วเฉยๆเพราะว่าจิตมันยังไม่มีกาลัง คือเราปฏิเสธทุก่อนเพื่อตัวสติที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเดียมัยังไม่เป็นมหาสติเพราะกำลังมันน้อยอยู่ไม่สามารถที่จะไปสรรพาไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นปัญญาถ้าเราไปดูปุ๊บสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาทันทีเพราะกำลังสติมันไม่พอเมื่อสติมันมีพอปุ๊บนี่ตัวปัญหานั้นคือปัญญาอยู่ที่การสติมันมีกาลังหรือไม่ ถ้ามัิไม่มีกำลังพอปัญหานั้นเป็นปัญญาแต่ถ้าสติไม่พอมายาเป็นปัญหาเห็นไหมต่อไปถ้ามีสติมีกำลังพอมายาเป็นปัญญาอยู่ที่มีกำลังของสติมันจะไปมองไอ้ตัวเดียวกันเนี่ยมันแปลงได้สามารถทั้งทั้งปัญญาก็ได้เป็นตั้งปัญหาก็ได้สติไม่พอมันก็เป็นปัญหา กำลังไม่พอมันก็เป็นปัญหาถ้าสติมันพอมันก็เกิดเป็นปัญญาเห็นไหมอันนี้สมมติคือความคิดเออเอาความรู้สึกตัวตรง สมองสั่งบอกว่าปล่อมจิตให้แค่กินแค่มันไม่ได้เกิดมันเกิดจากจิตอารมณ์มาเกิดพอมันเกิดมันไม่ออกเราก็ใช้สมองเพื่อความคิดเพื่อจะมาบรรเทาให้มันตัวนี้มันคลายอันนี้มันมันได้ไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งถ้ามีเหตุผลพอแต่เราก็ไปหาความคิดหาเออช่างเขาเหอะช่างมันเถอะเป็นอย่างนี้เราต้องปล่อยวางซะเออมันไม่เป็นเป็นอย่างนี้ให้ให้จิตมันยอมรับแต่ถ้าจิตมันยอมรับครั้งหนึ่งมันเกิดจากจิตเนี่ย ภาวะที่ไปเห็นทานปุ๊บนี่มันจะไม่มีพวกนี้มามันเห็นตามคอมเปอร์เกมอ้าช่างเถอะเกิดที่ไรมันก็เกิดปุ๊บมันก็จัดระบีปุ๊บไม่ต้องมีคําถามมันไม่มีอะไรเลยมันก็จบของมันเฉยๆเฉื่อยซื่อของมันนะนี่คือผลของการเจริญสติที่มันจะเกิดเป็นปัญญาที่จะมันเห็นว่าถ้ามันเห็นแล้วว่าเกิดข้างหนึ่งทุกข์อยู่ล่ำไปเห็นขณะ ว่าจะไม่เห็นว่าทุกโกรธครั้งหนึง่งปุ๊บโกรธให้เขาบางครั้งเราเก็บแทบตายเราเหนื่อยแต่เขาคนที่เราโกรธให้เขาเขารู้ไหมว่าเราโกรธเขาทุกข์กับเราไหมให้เป็นคนทุกข์มันเห็นความจริงอย่างนี้จิตมันจะไม่เอาเลยว่ากูโง่กูไม่เป็นกระมือกูเป็นอะไรกูทุกข์เมื่อ น, นั้น จิตมันฉลาดมันไม่เข้าไปร่วมหรอกพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะวางพอจะโกรธปุ๊บมันก็วางแล้วกูไม่ลงไปหลงคุณลักของกูอีกแล้วกูทุกอันนี้ใชค้คำว่ากูนี่ก็คือตัวเราแหละนะอันนี้ไม่กูไม่ใช่คําอย่างคือด่าตัวเองอ่ะมันจิตมันจะบอกตัวเองอ่ะจิตมันจะสอนจิตมันถึงจะยอมแต่ตอนนี้เราจอมฝามจิตไม่ได้ เราก็ต้องมาเจริญสติตัวที่รู้สึกตัวไปก่อนเพื่อจะให้มันมีพลังพอที่จะจิตสอนจิตมันถึงจะยอมถ้ามันยอมแล้วอยอมเฉยๆนี่สอนไม่ได้ต้องเอาใสายความจริงที่เกิดขึ้นเรียนรู้บ่อยๆจนรู้ทุกข์ของมันจริงๆแล้วมันถึงจะอุเบกขาระวางเฉยได้ไม่ใช่คิดนึกเอาสภาวะที่โยงพูดไม่ได้สภาวะ เอาความคิดมาแก้สภาวะเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสภาวะของจิตความโกรธนี่ก็เป็นสภาวะเป็นอารมณ์ของจิตคิดจบไม่เป็นไม่ชิดอืม<ะ> อเราไม่สาามรถันอยู่ที่ว่าโยมจะฝึกจิตในมันเก่งจริจริ ง, งแต่ว่ามันเป็นอาการของกายก่อนที่โยมไม่ทันอาการของกายถ้าเราจะเข้าไปดูไอ้ตัวนี้ได้มันต้องรู้สึกตัวแบบแตรงนี้ถึงจะไปหยุดได้แต่อยู่ที่ว่าโยมจะเข้าไปดูตรงนี้ได้โยมเพ่งจ้องทําเป็นนิสัยของจิตโยมหรือเปล่า เดินทางถูกวิปัสสนาจริงไหมถ้าวิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นขบวนการเหล่านี้แล้วมันจะเห็นพอมันเกิดทางกิจพออย่างเช่นมันโกรธปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามันโกรธปุ๊บเนี่ยมันโกรธปุ๊บใจมันเต้นสติมันเห็นใจเต้นเห็นหัวใจที่บีบพันปุ๊บปุ๊มันไม่ไปอยู่ที่อารมณ์การอารมณ์ที่กิจที่ปรุงแต่งมันจะมาดูอาการกายพอมีมาดูอาการกายปุ๊บเนี่ย กายมันจะสัมแสดงให้ผลจากการโกรธมันจะเกิดจา ก, กจิตสะท้อนมาทางกายเราแต่สติของเราจะไม่ไปอยู่ในอารมณ์ที่การโกงแต่งของจิตมันจะมาเห็นกายที่กระเพื่อมใจมันเต้นปักปั๊กปั๊กปักเนี่ยพอมันเต้นปุ๊บนี่มันถ้ามาดูตัวนี้ปุ๊บนี่อารมณ์ที่เกิดจา ก, กจิตมันจะลดลงผ่อนคลายโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่จิตเข้าไปร่วมมันเป็นอาการของจิตมันเป็นอารมณ์ขึ้น เพราะอารมณ์มันมันไปซ้ําเติมให้กิจมันมีพลังตัวสติเนี่ยมันจะมาอยู่ถ้าวิปัสสนาดูจริงๆมันไม่ไปเข้าไปอยู่ที่มันทุกมันจะกลับมาดูอาการกายที่มันเต้นแรงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้าเราไปดูต้นต้นกายพวกนี้เราไม่ต้องมองเหตุไม่ผลสติมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี้ปรากฏขึ้นแล้วใจอารมณ์ตรงนั้นมันจะค่อยลดลดลดลดลงไปโดยธรรมชาติเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลมันเลยแต่พอมีอย่างนี้ปุ๊บ โยมไปเห็นกายอยู่แต่โยมไม่ดูกายโยมไปดูหาเหตุนนผลเพื่อจะระ ง, งับความอารมณ์ใช้ผิดไงมันถึงไม่จบเนี่ยมันถึงโกรธถ้ายิ่งไปอยู่ตรงนั้นโยมเห็นไหมพอโยมไปดูตรงนั้นหาเหตุนนผลปุ๊บเนี่ยโยมหยุดไม่ได้เพราะมันไปอยู่ในอารมณ์เอาความคิดไปแก้สภาวะที่จิตความโกรธเนี่ยความโกรธก็เป็นสภาวะของจิตนะเป็นภาวะของเขานะ เป็นอารมณ์ของกิตนะแต่อารมณ์ตัวนี้มันมีตัวตนไหมอะรูปร่างยังไงทุกคนมีเขียนออกมาวาดออกมาเป็นรูปได้ไหมเป็นภาพได้ไหมถึงวาดได้มันเหมือนกันไหมสักคนสิบคนจะเหมือนกันสักคนหนึ่งไหมเพราะมันไม่มีรูปร่างความรู้สึกตัวที่โยอมปวดหาวปวดชี่ปวดเยี่ยวเป็นตัวยังไงลองวาดออกมาดูซิ มีไหมวาดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมวาดออกมาได้ก็ไม่เหมือนกันทุกคนมีใช่ไหมเพราะถ้าเอาสมมุติลองเอาลองวาดหมาดูสิทุกคนวาดหมาเนี่ววาดได้ไหมเพราะมันเป็นอะไรมันมีรูปร่างใช่ไหมความโกรธเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกตัวคล้าย ก, กันกับความรู้สึกตัวตัวเดียวกัน มันไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่มันมีอนุภาพเหมือนกันแค่เราไปทำความรู้สึกตัวเพื่อจะไล่ตัวนี้ออกไปเหมือนกัางวันความมืดหายไปใช่ไหมพอตกตาง ว, วันหายไปความมืดก็มาแทนถามว่าความมืดเป็นรูปร่างแบบไหนทุกคนเห็นอยู่ลองวาดเป็นรูปออกมาได้ไหม ความสว่างล่ะเหมือนความโกรธกับความรู้สึกตัวแต่ทําไมมีความมืดแล้วความสว่างมันหายไปเองพอ ม, มีความสว่างความมืดก็หายไปเองเห็นไหมความโกรธมันมีครอบอวัมวใจมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันใช่ไหม พอมีความมีโกรธปุ๊บเพราะเราไม่มีความรู้สึกตัวไ ง, ววไงอันนี้ทําจนตายคิดจนตายทาจนอย่างมากมันก็เป็นเีแค่แยารักษาให้ยมแต่ยมละความโกรธละความพอใจไม่พอใจไม่ได้ ยอมไปแค่ที่ผลอยู่ล่ำไปหาเหตุรับผลมันยอมรับแต่ถ้ามันละได้ครั้งหนึ่งมันจะจบถ้าจิตมันเห็นความเป็นจริงของมันจิตเห็นข้า้งหนึ่งโกรธปุ๊บมันจะโกรธมันก็จะหยุดทันทีมันจะไม่โกรธอีกแล้วมันจะไม่มีเหตุและม่มีผลที่มันจบไม่ได้ก็เพราะเราใช้ตรงนี้เหตุหาผลตลอดเวลาไปแก้ที่ผลไม่ใช่แก้ที่เหตุถ้าอยากแก้ตรงนี้ให้หาย โยงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวตัวเดียวซื่อตรงตรงเหมือนกับตอนนี้เขาโกรความเข้าข้อมันในใจเราไม่ต้องไปไล่มันถ้าเรามาอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเช่นอาตมาบอกว่าพอโกรธปุ๊บโยงไปอยู่ความคิดไปอยู่อารมณ์ปุ๊บโยงไม่เห็นตัวใจเต้นตึกตึ๊ตึกต๊กเนี่ยควมเมอย่างนี้ปุ๊บอาตมามาอยู่อาการของกายที่มันรู้สึกปั๊บปั๊บปั๊บมันเป็นความรู้สึกตัวอาตมาม า, ตมาอยู่ตรงนี้พ อ, Friend, อมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความโกรธของอาตมาจะลดลดลดลดลด หายไปเพราะอาตมาเชื่อว่ามีโกรธปุ๊บอาตมาไม่ไปอยู่กับความโกรธอาตมาไปอยู่กับความรู้สึกกายอาตมาอยู่กับความรู้สึกกายไม่ได้อยู่ึกในความรู้สึกอารมณ์ในกิจอาตมาจะมาดูกายจะเห็นกายที่มันแสดงมันสั่งมันใจเอามันเต้นตึกบตึ๊ตึึ๊บหายใจไม่สะดวกอึดอัดตัดเครื่องหายใจเนี้ยอาการเหล่านี้เป็นอาการกายเมื่อเราอยู่อาการกายปุ๊บเราก็ดูมันไปเรื่อยดูกายตัวเนี้ย พอตัวนี้มันจะลดลงทีแรกมันเต้นแรงตอนที่เราโกรธเนี่ยใจมันก็แรงนะเท่ากับอารมณ์ที่ความโกรธเท่ากันใจมันก็เต้นแรงเท่ากันแต่พอเรามาดูเอาสติมารู้รู้กายบ่อยๆเขารู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวกระจาใจมันก็จะลดลดลดลดลดใจมความรู้สึกที่อึดอัดขัดเคืองในใจเนะี่ยมันก็จะลดลงหัวใจมันก็เต้นปกติเมื่อใจเต้นปกติปุ๊บหัวใจคือกายนะเป็นปกติกลับไปมองดูอารมณ์ไม่มีแล้ว เพราะเราไม่ต้องไปจัดการอารมณ์เลยเราแค่มาอยู่กับความรู้สึกเหมือนกัางวันกับกลางคืนนี่สิ่งที่มันเป็นความโกรธเพราะโยมไม่รู้สึกไงถ้าโยมรู้สึกความโกรธเข้าไม่ได้อันนั้นอย่าไปใช้ความคิดโยมโยมตอบถามออกมาตอบจมไม่เป็นหรอกเพราะว่าโยมยังไม่เข้าใจว่าความรู้สึก แค่มาอยู่กับความรู้สึกตัวสิ่งที่จะเอาสมองจัดไม่ได้เพราะมันต้องมีความรู้สึกตัวสติมันต้องแหลมคมพอที่จะมาตัดตรงนี้ไม่ใช่วันจะเข้าใจแล้วไปตัดเลยมันตัดไม่ได้เพราะว่าสัญชาตญาณจิตมันเร็วมากเกินสนติที่ความรู้สึกตัวจะเอาสมองไปใช้มันเนี่ยมันไม่ทัน ต้องเอาสติเหมือนกันเอาตัวรู้สึกเหมือนกันมาตัดมันจนมันทันทุกขณะมันถึงจะไปทันหูตาจมูกลิ้นได้ถ้ามันทันได้โยมจะเป็นอิสระโยมจะไม่ทุกโยมจะไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้เลยสิ่งที่โยมทํานี่ยถามว่าผิดไหมอ น, นุโมทบอกว่าผิดของอาตมานะไม่ได้ถูกจะถูกของใครก็ไม่รู้นะในความรู้สึกของอาตมาบ้ายงยกไปจัดการตรงนั้น มันผิดไปแค่ที่ผลถ้ากลับมาเทศที่เหตุซะง่ายๆแค่รู้สึกตัวไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้พลังอะไรเลยไม่ต้องไปใช้สมองปวดหัวเพรารู้สึกโกรธปุ๊บมาดูใจเต้นตึกตึ๊กต๊ ก, ต ก, ตกถ้ามันมีอยู่อ่พาพอมันตึกหายไปโกรธก็หายแล้วเมื่อหายแล้วนี่เราก็เริ่มต้นความรู้สึกตัวใหม่มันจะสบายมันง่ายจะตายไม่ต้องไปหาเหตุทาผลทําไมเหนื่อยเสียกําลังเพราะว่าเราแค่เอา มันแก้ไม่ถูกโยดะแค่กินยาประโลงให้กิตมันยอมรับถ้ามันยอมรับครั้งเดียวจบโอเคแต่ถ้ามันไม่ยอมรับมันหาเหตุหาผลโยมลองคิดครั้งหนึ่งอะ่ะคิดสิบครั้งเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยจะได้คําตอบเหมือนกันไหมได้สิเสี๋ยเวลาคิดทําไมของง่ายๆกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวทําแบบงงโง่ๆน่ะอย่าฉลาดเหมือนงโง่ัปฐมมาเนี่ยฉลาดมากก็งโง่มากจริง ไม่ได้ว่านั่นนี่อาว่าแตมาอาจจะเป็นหูโง่ไงอาตมาเอาใช้แบบหูโง่ไงไม่ได้ไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรกตมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างเดียวแต่มันผลของมันมันก็ไม่เข้าถึงใจเรามันหูตาจะบูกนี่มันแค่สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ามันไม่เป็นเรื่องยากการภาวนาจริงจริงมันได้ยากมันยากเพราะความคิดแค่นั้นเองเนอะโอเคเนาะ จบดีอๆอย่างั้นแหละสาธุสาธุสาธุเสริสมไมตรยมถามนิดนึงนะเรูจใช้ความคิดแก้วความคิดได้ไหม ครูบาอาจารย์ท่านบอกอธิบายว่าเราเอาน้ําขี้เป็ดล้างน้ําขี้ไก่เพื่อนจากขี้เป็ดก็ไปล้างขี้ไก่มีครั้งหนึ่งอาจารย์เสิมต่อปัญหานี้นั่นตอบว่าเราพยายามแก้วความคิดไม่ดีด้วยความคิดดีสุดท้ายมันกลับไปคิดไม่ดีไหมมันก็สัตดานเดิมของมันนั่นแหละความคิดมัแก้วความคิดไม่ได้มั่นมันยังเป็นในระดับของละอาโกศน พยายามจเจริญกุศลเท่านั้นยังไม่ขึ้นสู่ระดับภาวนาในสายของการใช้ความคิดในในระดับภาวนาที่ใช้ความคิดนะเป็นระดับที่มีสมาธิตั้งมั่นใจต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สมาธิแล้วคิดต่อความจริงคิดว่าความโกรธเกิดขึ้นยังไงคิดว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ได้ยังไงจนใจเชื่อคิดครั้งแล้วครั้งเล่าในระดับสมาธิ ของเรานะกระทบบรลลมกำลังโมโหอยู่แล้วมาบอกตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเอายาหมองมาทาหรอก ล, ลมพัดบูบยาหมองสลายก็หายกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่กระบวนการภาวนานั่นเป็นกระบวนการของเด็กอนุบาลก็ทํากันเราที่จะเดิญภาวนาแล้วเราไม่ต้องไปเอายาทาหรอกหลักการของภาวนานะถ้าเราฟังเงยอะๆบางทีเราอาจจะงงอัตมาสรุปหลักให้นะหลักการของภาวนาเนี่ยยิ่งเป็นสายเคลื่อนไหว ที่หลงประเทียนสอนที่พุทธเจ้าสอนในแบบเคลื่อนไหวแบบเจริญสติเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เราเฝ้าดูการทำงานของกายของใจที่กำลังเป็นไปให้ได้คือคำว่ารู้สึกตัวคือคาว่ารับรู้รู้สึกตัวเนี่ยเพื่อเฝ้าดูการทำงานของกายของใจเท่านั้นแหละมีแค่นี้ใครทำได้อย่างนี้ทำเรื่องเดียวพอที่เหลือไม่ต้องทำอะไรแล้ว ที่เราพยายามรู้สึกตัวพยายามเคลื่อนไหวที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตรสอนสอนพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อให้ใจเราสู่สภาวะนี้รับรู้เท่าทันต่อสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่สิ่งที่กําลังเป็นไปสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวกาลังรู้สึกกาลังเกิดทางกายทางใจเนี่ยและใจเรียนรู้รับรู้ไปรับรู้เรียนรู้ไปรับรู้เรียนรู้ไปศ <c oughs> ึกษาเท่านั้นอาจารย์บง่งสินดันพูดมเมื่อคืนเป็นนักศึกษาเท่านั้นไม่ใช่นักจัดการ หลักการมีแค่นี้ทำยังไงก็ได้หลักการมีแค่นี้หลวงพเทียนใช้คำมารู้สึกตัวอาการรู้สึกตัวของหลวงพ่เทียนนั่นคือรับรู้เรียนรู้รับรู้เรียนรู้ศึกษาความเป็นไปของกายของใจหลักการมีแค่นี้ทีนี้พวกเราเวลาไปลงมือทาเราก็พยายามทำการศึกษานี้เช่นกันแต่เราก็ไปทำจนบิดเบี้ยวเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวา ไปยกมือใจมีหน้าที่ศึกษาเราก็เอาใจไปมีหน้าที่บังคับมือเอาเอาใจไปมีหน้าที่กาจัดความโกรธเอาใจไปมีหน้าที่จมไปกับความโกรธมันผิดผิดหน้าที่ของใจกายก็เอามันไปบังคับเดินอย่างงี้ผิดหน้าที่ของกายผิดกระบวนการของการรับรู้เรียนรู้ใช่กระบวนการที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนศาธรยายหลากหลายขึ้น จำแนกแจกแจงแบบนั้นนะแบบนี้นะเคลื่อนตรงนั้นปรับตรงนี้สังเกตตัวนั้นเนี่ยทั้งหมดเพื่อปรับเราที่สิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยเพื่อปรับสิ่งที่เรากําลังทําให้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่กําลังเป็นไปให้ได้นี่คือสิ่งที่ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ท่านมาเทศมาสอนมาปรับไล่กันมาตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเพื่อปรับการทําการลงมือของเราเนี่ย ให้มาสู่กระบวนการของการรับรู้เรียนรู้เป็นตระนการศึกษาเท่านั้นให้ได้ไม่ว่าจะอธิบายเชิงกระบวนการอธิบายเชิงปฏิบัติการอธิบายเชิงทำยังไงขยับอย่างนั้นขยับอย่างนี้เพื่อปรับมันเพราะพวกเราเวลาเป็นลงมือแล้วน่ะมันไม่ตรงๆซื่อเรียนรู้ศึกษาไม่เป็นอย่างนี้นั่นคือส่วนที่สอง เวลาพวกเราไปลงมือไปเดินอย่างเงี้ยเวลาครูบาอาจารย์ไปขยับทำอย่างนั้นนะให้เทคนิคเพิ่มยอมสังเกตคนตนคนนี้สังเกตอันนี้นะคนนี้ขยับตัว น, นี้นะอันนี้เป็นส่วนของการปฏิบัติการเป็นส่วนของการลงมือแล้วจะต้องปรับตัวไหนจะต้องเพิ่มตัวไหนเพื่อให้ใจเราเข้าสู่หลักการเช่มกันหลักการมีแค่นี้เองหลักการที่เอกโกยาโอมะโคพิกเวอะไรเนี่ยข น, นทางนี้เป็นขนตางเพียงตามเดียวเนี่ย ไม่นี่ไม่ใช่แค่สายหลองพ่อเทียนเรานะทุกสายของคนที่ปฏิบัติตามวิชาพุทธเจ้ามีหลักการเดียวกันหมดทำยังไงที่ใจจะสามารถเรียนรู้กายใจที่มันกาลังเกิดขึ้นเป็นไปได้หลักการมีเพียงเท่านี้จริงๆในส่วนของการภาวนาที่เหลือคือทำยังไง้าวทูอินเตอร์หน่อยคือฮาวทูทำยังไงปฏิบัติการคือใส่เทคนิคเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะสู่หลักการนี้มีแค่นี้ทรงเป็นนิดเป็นอย่างนี้หลักการแบบนี้พวกเราเนี่ยมันเดินเบี้ยวไปเบี้ยวมาเดินบิดเบีย้ยว น, นั่นแหละคือส่วนที่ต้องขยายเพิ่มคือส่วนที่ต้องปรับเข้าปรับเข้าเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยทำความเข้าใจดีๆนะหลักการมันอยู่ตรงนี้เวลาครูบาอาจารย์แต่ละพูดแต่ละองค์ท่านจะมีเทคนิคในส่วนที่ปรับปรับปรับปรับปรั บ, รบทั้งหมดเพื่อให้เราเข้าสู่หลักการนี้ถ้าเราจับหลักนี้ได้แม่นรจับหลักได้แม่นว่าภาวนาเนี่ย หลักการของมันคือยังไงเฝ้าดูกายดูใจมันทํางานให้ได้แค่นั้นจบเรื่องจะง่ายมากแล้วฟังธรรมะจะไม่งงครูบาอาจารย์จะไม่ตีกันมันตีกันเพราะโยมนะ <c oughs> เดี๋ยวไปฟังของสายนั้นเ ด, เดี๋ยวไปฟังของอาสายที่ขอใช้ความคิดเดี๋ยวไปฟังของสายอีกสายนึงบอกว่าให้ทิ้งความคิดไม่ต้องคิดเดี๋ยวจะไปตีกันจริงๆไม่ได้ตีหรอกซึ่งสู่กระบวนการเดียวกันนี่แหละแต่จับหลักให้แม่นไว้แบบไหนของพุทธเจ้าไว้ แลที่เหเราจะไปจับเทคนิคเทคนิคไปสู่ปฏิบัติการเวลาเราไปลงมือเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ต้องปรับอุบาจันทร์รูปนั้นบอกว่ า, าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันต้องปรับเข้าแบบนี้แล้วเราจะทําได้ง่ายค่อยๆปรับนะเร่งภาวนานี่ไม่ได้ยากอย่าไปเอาจริงเอาจังฟังแล้วทิ้งให้หมดลงมือทําเลยทั้งหมดจะไม่สู่ผลอะไรเลยถ้าเราไม่ลงมือทํำกับมันส่วนอสองสิ่งที่สําคัญในการภาวนา ส, ว ส, สัพพะมัจารี คือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางปริญัดการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์คําของพุทธเจ้าเพื่อนที่เดินด้วยกันอ้าวเพื่อนแก้ความวุ่นแบบนี้อ้าวเราได้สัพรรมจารีอย่างนึงละทั้งหมดส่วนที่สองโยมานสิการการลงมือด้วยความแยบคายด้วยการสังเกตด้วยการเรียนรู้ส่วนตนขาดสองสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่วิสัยแห่งพุท ธ, ธ เดินหัวที่หัวตามอย่างเดียวแนละ้ววันหนึ่งก็แจ้งยากมากเราไม่ใช่วิสัยแบบนั้นสองสิ่งนี้จาเป็นสองสิ่งนี้ใช้ความอดทนและการลงมือปฏิบัติการขาดสิ่งนี้รู้แทบตายรู้ได้แค่สมองใจไม่สัมผัสปฏิบัติการในแบบเคลื่อนไหวปฏิบัติการในแบบที่พวกเราทาใจสัมผัสย้าแค่นี้ไม่ใช่สมองแก้ถ้าใช้สมองแก้เมื่อไหร่ มันกลายเป็นยามองทาแบบพวกเราคือเอาใจสัมผัสเรียนรู้ต่ออาการที่กำลังเกิดตรงๆแค่นี้จำอันนี้แน่นๆเท่านั้นแหละหลักการของการภาวนาเข้าใจเนา ะ, ะสาธุวันนี้เราขาดพระ